ไปดูอย่างนั้นแหละร้อยสบสองปีนะไปฝึกเอาปีหนึ่งได้ขนาดนี้ก็เก่งกาบสึกษาการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อค่ะแล้วก็ปฏิบตัติรู้สึกว่าจะรู้สึกเวลาอารมณ์แรงๆถึงจะรู้สึกอะค่ะแต่ว่าใหม่ๆก็รู้ของแรงๆก่อนค่ะนะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะรู้กาย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 ก็กลับมารู้ลมหายใจแต่ไม่ดึงมาแค่กลับมารู้ลมหายใจแต่ไม่ดึงมาอยู่ที่ลมนะอย่าดึงจิตกลับมาที่ลมมันจะแน่นแล้วแล้วมันกลับมาเองคือโดย <มา S 2> ที่ <Adams> ไม่รู้มันมาเองใช่ไ้ยค่ะมันจะกลับมาเอง <S <S <Okay. S 1> อย่าไปดึงมาถ้าดึงมาแล้วแน่น <S <S แล้วอย่างรู้สึกว <atory> ่าตัวเองจิตไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะรู้ว่าไม่ตั้งมัน่นอยากให้ตั้งมั่นรู้ว่าอยากนี่รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย